นั่งทางสบายไม่ต้องพกเพลยอกไได้นั่งเงี้ยมสบายหลุดนอนเลยก็ได้มสบายจะได้สมาธิจะได้ลับลึกเลยอัปนาสมาธิอวันนี้ขึ้นมาช้านิดนึงิดคิว ที่แลว้วจะไปเทศสาราสอบก่อนค่อยมาเทศที่บิลคิวแลวก็เดินไปดูโรงครัวฝากผู้เราด้วยโรงครัวแม่คนหลายเหล่เปิดประตูไว้ต่อมาคราวที่แล้วหลวพ่อไม่อยู่วันที่หรวงพ่อไม่อยู่ก็มีคนมาเอาของเนี่นคนเก่ามาเนี่ยชอบไปเปิดประตูรับแขก ไ่เทระองาไม่ได้ก็เลยไปดูส ม, ดมุดโตระตารางไปสักเกตดูต่างฝั่งดู้ําเทศเทศสามัญอันนี้ก็ไปฟั ง, ป ง, ง, งดูปรากฏว่าคนในศาลากับคนน อ, อกศาลาคนละอารมณ์คนข้างนอกก็สนทนาธรรมกันไปบอกดีแล้วที่ลงพ่อม่เทศ มันระเบิดลงแน่เดี๋ยวระเบิดลงในเทศแข่งกันระเบิดลงนีงง่ไม่เข้าใจว่แต่เราคนก็ไม่ได้ตดิคือมาแล้วเต็ที่จะได้ไประโยชน์ป่ามาแค่ให้จะพาไป ห, หน้าเห็นตางานแล้วที่ได้ก็คือแต่ของวางกับบ้าน ส่วนอื่นก็ไม่นาจะได้อะไรเ่นเสียดายทานี้มันอยู่ที่ระบบคิดหรือว่าวิธีคิดของมนุษย์ที่เรียกว่าสมองทั้มดเนไมสมองคือว่าโระพุทเจ้าของเราไม่ธรรมาดมามักแปมักมีแปจริงๆท่านบอกมาเรียว่ามักแปล ต้องบอกว่ามากักมีองค์ปเป็นคื อ, อเป็นองค์วรวมโดยตั้งอย่องแรกคือสมาธิคือปัญญาต้องสร้างง่ายคือปัญญาปกติเราจะได้สิ่งสมาธิแล้ก็ปัญญ า, ตญ า, า, า, ญ แ, าแต่มักมีม อ, อ, อ, กอยู่เปบนเอาปัญญาขึ้นก่อนสมาสติสมาธิเป็นที่อยู่ข้างหลัเพราะอะไร มาป า, าเหตุผลว่าทำไมผู้เชี่ยวหนุ่มปัญญาขึ้นต่อคราวนี้พูดถึงผู้เชยวเพื่อที่เองว่าศาสนาของเราเป็นาศาสนาของวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยต้งหลายเลยเอาข้อมูลสมองไปวิจัยไปขอเขาก็สรุปได้ปะ เป็นศ า, ยายห่นึ่งก็คือสมองที่เป็นส่วนหลังเป็ ท, ท้ายอย่ะภาษาเราเรียกว่ า, าข้าศนสมอ ง, งส่วนที่สองก็คือตรงกลางก็คือกรมมงส่วนที่สามมัคือส่วนหน้าจะเป็นกระมมเวลาเด็กเนีมันจะตบส่วนหน้าผากเป็นต้นมาสามส่วน เขาบอกว่าข้ามรถเราใช้สมองที่เป็นหน้าหลังม <ừ. S 1> ันคือทายทายอยเขาบอกสมองส่วนนีน้เป็นสมองของสัตว์เลื้อยคานแปลว่าอะไรสัตว์เลื้อยคานก็คือเวลาเขาใช้สมองเขาใช้สัมาตสแตอย่า เขาไม่ได้พูดถึงความดีคามช่วอันผู้ถึงเหตุถึงผลมันเกิดสันชัดยันขึ้นมาเช่นการต่อสู้ออดดกันเอาตัวรอดหรือการเอาชนะค้าแา่กันไม่ต้องคิดเลยมากไม่ต้องหาอาวุธเลยมากเลยเอาของที่มีอยู่มาได้ดประหารประหารเขื่อนมาลุกเขาที่บอกว่าสัตว์เลยการสารพัดอันนี้คือท้ายถอยถ้า เราสังเกตเวลานั่งสมาธิจะมีส่วนสองส่วนคือส่วนที่ชัดเจนก็คือส่วนข้างหลังกับส่วนหน้าถ้าใครนั่งสมาธิเป็นแล้วเข้าใจว่าจิตเราจะถอนออกว่าสมาธิมารับรู้ถ้ารู้จากด้านหลังหรือไม่ก็ด้านหน้าอาจจะแตกต่างกันเดี็กๆเราไปอันนี้คือสัญชตยาตญาณอย่างเดียวเราทำอะไร สมองส่วนกลางที่พัฒนามาจากข้างหลังนั่นแหละอันนี้เริ่มมีการพัฒนาการคือดีขึ้นหมายถึงว่าเออแทนที่จะใช้กำลังเราก็มาใช้เหตุผลเหตุผลที่มาจากอารมณ์สมองส่วนนี้เกี่ยวกับอารมณ์แต่ถ้าเราใช้อารมณ์โดยไม่เอาเหตุเอาผลมาคุยเนี่ยคือลำบาก เช่นมันกระโกรก็แสดงออกไปเลยโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลเช่นโดนดาวาไอควายของโกตรมันทําหน้าที่ของมันสมองทําหน้าที่ของมันเออ ม, ม, มันคำนี่เป็นคาําด่าจะรู้ตัวกันมาไอที่สมองที่บอกว่าใช่เหตุผลยังไม่ได้ใช้เลยมันแสดงกิ อ, อาการออกไปแลยหมายถึงว่าทีรันคันแทงด่าทอากันไปแล้ว มันดึกในใจหลังว่าเอ๊ะกูไได้ก่อนหรอเดิมใช้เหตุผลแต่ใช้ทีหลังมันไม่ทำไล้ที่จะบอกว่าท้ายควานเป็นเรื่องของเหตุและผลใช้ข้างไหนามากกว่ากันที่เป็นส่วนหน้านี่อันนี้สำคัญนี่เกิดจากการนั่งสมาธิปฏิบัติคือเรียนรู้พัฒนาที่จาทำให้รถเรา ใช้แค่ทอยคือสองสัตว์เลือยคาอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเราเคยเห็นสัตว์เลยการนอนพอมน้ำไม่มีเขาก็นอนทับทอยเพราะมันเด็กกลัว ม, มันกระทบกระเทือนอะไรอันนี้ก็ธรรมชาติของเขาแต่สองสมองที่เป็นส่วนกลางกเหมือน แต่ที่สำคัญคือสัตว์ประสาทั่งหลายเขาไม่นอนาอางายหนพวกเราเกิดเราท้ายทอนลงกดท้ายทอนนีาเป็นส่วนสําคัญเขาไปนอนงายเหมือนมนุษย์มนุษย์ในนอนนอนงายางต่ออารมณ์เป็นกดทับสองส่ว น, นสุดกลางอันนี้เกิดจากการพรานาอารมณ์ ส่วนสกัดที่สุดที่เราเราทํายูตอนเป็นปัญญาเป็นการเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคือคกำกั บ, กบทั้งท้ายทอยตั้งกระหม่อมนนี้คือส่วนที่สามทีนี้ถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิบัติไม่ีการเรียนรู้สิ่งนี้มันก็แค่ใช่แค่สอนอย่างนั้นเลยพท้ายถอยกับการกระหม่อมเหตุผลเหตุผลก็คือเหตุผลของตัวเอง เป็นหลักคือชอบไม่ชอบก็จะมีเหตุผลประกอบของตัวเองแต่พูดง่ายบางทีก็เอาสีข้างเข้าทูนี่แะยังไงก็ได้ก็ยังมีเหตุมีผลประกอบเอาได้ถูกหรือน่มีเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันเหมือนแนั้นสมองส่วนหน้าจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดใช่มาที่จะควบคุมกํากับสมองสองส่วนอันนี้ได้ไม่ใความเจที่ยงของคอมพิวเตอร์ ทำไมที่บอกเดอเดี่ยมพพุทธเช้าของเราสอนถ้าจะปถอนลมหายใจก็คือส่วนหน้าทำไมเอาแค่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเรียกว่าอนาประสติก็เพราะว่าลมหายใจมันไม่ได้เข้าแค่จมูกออกแค่จมูกแล้วหายไปลมหายใจจากปลายจมูกคือจุดเริ่มต้นกากระทบ ตอนนี้เวลากาหนดเวาดูดูที่ปลายเทโบทเสร็จแล้วจากปลายเโบทแคจะขึ้นในส่วนของหน้าผากนะมันจะพาหน้าาคือสมองก็ลงไปหัวใจแตจแบ่งข้างบนข้างล่างคือลมมันกำหนดตอนนั้นเชิญใจก็ว่ากาหนดลมทีนี้ทีเบืงต้นก็คือด้องกหนดลมหายใจสั้นยาวอันนี้ก่อนเพื่อนำสถิ คือยังไงก็ได้ให้มันหายใจสะดวกถ้าอยากรู้มันสะดวกหรือมันสะดวกการหายใจอย่าอย่แเราก็กั้นไว้อย่าก็จะออกมามันจะอึดอัดหัวใจมไม่ปกติแล้วสมองมันมันมันผิดปกติแล้วไม่ธรรมช า, าติพอปล่อยเราหายใจมันก็ปกติน้ำส่วนสมองเป็เป็นส่วนที่มันบั ง, งคับ ทั้งหมดในรูปร่างการนอนสมองของมนุษย์ตีทท่นเป็นปรเรื่องมาสจัญเป็นตียินใหญ่เขาอาธิบายว่าจั ก, กรวาลในทางาศาสนาของเราถือว่ามีแสนโผล่จั ก, กรวาลซึ่งไม่รู้จั ก, กรวาลนมันยิ่งใหญ่นขนาดไห น, นมันตอบไม่ได้เยอะเหมือนกับกับมือนกับกันที่เราอุปมาเอโกวั แต่ว่าในโลกมนุษย์เรามันมีทั้งแสงค่ะเยอะมากมายด้วยสมองของมนุษย์สามารถศึกษาเข้าใจดวงดาวทั้งสวยทั้กระบองทั้งหมดเข้าใจได้ด้วยสมองของมนุษย์ สมองของมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับแจะก็ออกมาศึกษาครันในปนะัจจุบันที่กำลังดังกันนีคือของอัโรดอสตาอันนี้พูดถึงความดีของเขานะความม่ดีไม่ต้องไปพูดถึงเพราะ่าอโบดอสตาสมองของเขาเนะี่มันแตกต่างจากมนุษยทั่วไปยังไงตอนนี้เขาก็ยังรักษาอยูอย่โอ้ยใจเขาบอกว่าสมองข อ, อ, องอัโรดอสตามันมีความใหญ่ มาก่ามนุษย์ทั่วไปอย่างพกเราบ้งั้งเป็นสเท่ารประมาณสิบห้าเอเ็นขาเาใจแล้วก็มีโยงใหญ่เหมือนใจในมึงเยอะๆมากไมากว่ามนุษทั่วไปกเชวใหญ่ทุกคนอันนี้คือสิที่มันาตต่างถ้าว่าสมองของรถกัถาได้ไหมก็ถ้าได้ดูผู้จ้างเาเนล ผู้จางลมองเห็นเหตุอันนี้จึเข้าใจหลักการหรือพัฒนาอย่างเช้าพูดไปแล้วเรื่องระวังเรื่องเริ่มเพราะฉะนั้นทำอย่างไงถึงจะเราเข้าใจพัฒนาไปสติที่ถูกต้องแต่ปฏิบัติแล้วมันถูกต้องเป็นได้ผมันมีผลต่อการทําสมาธิก็คือคณิกาสมาธิวัจจะสมาธิอัปปนาสมาธิ อันนี้จะเป็นเ ร, นรื่ออารมณ์คณิก็ดีอุปจาร็ดีอัปปนาก็ดีตัวที่เกิดปัญญาเร อ, อุปจรารสมาธิโดยเป็นคณิกะเนพักจิตชั่วคราวตัวที่เรีอัปปนาเนี่ยค่ะไม่เกิดปัญญาคื อ, อยังไงถ้ามันเกิดปัญญาคนาไหนเมื่อคนนอนหลับจิตไหนก็ไน้มันคนนอนหลับ แต่ในขณะที่มันลหลับอยู่มันก็ทําหน้าที่จินตนาการจิตตนาการนี่คืออาการของจิตหมายก็ว่าจิตคิดยังไงมันก็ออกการไปตามเป็นรูปเป็นรูปภพรูปภพจะเป็นที่ไปของพวกเราที่ไปของพวกเรามาได้ที่ไหนต้องจิตถ้าจิตเราอยู่ในรูปภพ มังกรปลาใสรูกพทั้างในปที่อาลูกพกมังกรไปที่ยเจนพกพรถึงตนมาถึงตนรูปกพก็มุ่งไปที่สวรรค์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจตรงกันทีนี้อันนั้นเรากดถึงชีวิตหลังความตายชีวิตปัจจุบันมันก็เหมือนกันจริงๆแเราพบฉาิที่จะบอกรูกพอาลูกพกมันมีในปัจจุบันนี้อะไร เราไปสอนกันว่าหลังจากตายแล้วจิตเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นเรือ่องยากเหมือนกับความคิดที่เราวนไปเยวนมาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเราก็สอนกันว่ามันวนไปยวนมาเกิดเก็ด ต, ตายตายอันนี้เรียกว่าวตัตฏะสงสารทำไมเราไม่คิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดสามอย่างของเราคือความคิด คำพูดและการกระทํานีอะไรคือตัวสร้างวัตถะที่แท้จริงถ้าคิดเหมือนเดิมวนกลับมาที่เดิมอยู่ไม่ปไปไหนไม่ไหนี่คือวัตถะวาตถะแปลว่าวนโอ้เหมือนกันเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือทำอะไรเลยเพราะว่าสมองส่วนหน้าให้รัฒนามันใช้สมองข้างหลังอย่างเดียวคือไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้สัญชาตญาณที่มันสะสมมานาน อยู่ใ น, นเจตของเราะเราไม่กเข้าใจวัฏฏะดีใจจริงกเข้าใจว่ามันตายไปแล้วถึงจะเป็นวัฏฏะถึงจะวนว่ามันวนตั้งแต่ปัจจุบันนี้แหละวนทุกวนวนเรื่องความคิดของตัวเองนี่แหละคิดเรื่องเดิม ๆ, ๆไม่เป็นไรไม่ไหนเห็นพวกคิดตั้งจิตจนตนาการออกมาทันทีไม่ได้าอาการของจิตมันจะออกมาเป็นภพนะแต่เพเลนะิน เราคิดในการที่ลืมตาอยู่เราเห็นมาเราไม่มีการููเป็นหน้าเพราะเราเคยเห็นแล้วถ้าเราลืมตาในขณะที่เรานั่งสมาธิงงามีจิตสงบที่อยู่ข้างในมันหลุดเป็นอัรู ป, ป, ปางงา ท, ร ท, ที่อยู่ข้างในคือรูปไปเอียดก็คืองายมันไม่สามารถที่จะส่งผลท่างหูตาลงได้เพราะตามันดัดหูมันดับปากก็ไม่ได้ใช้มันใช้จิตที่อยู่ข้างในคือตัวจิต ปราะนั้นการที่เข้าถึงตัวจิตตัวนั้นการลมหายใจผม พ, พูดเชี่ยของเราก่อนนะก็ทรมานตลอดการดูข้างนอกคือเอาจิตไปข้างนอกนี่แหละสิ่งที่หลวงปู่ดุลกันบอกว่าอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกคือไปดูปัจจัยไปนอกรูปนามอะไรก็มีเป็นข้างนอกไปจำข้างนอกโดยไม่ค่อยโอกปะนัยโฟอดูข้างในเดี๋ยวมันก็ออกมาเองที่เป็นรูปที่เราจะจินตนาการของพวกเรา เพราะนั้นเวลาปฏิบัติหรือเวลานั่งทำจะเกิดนิมิตก็คือรูปนั่นแหละนิมิตนั้นอาจจะเป็นเรื่องของเสียงจะเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของกลิ่นมันมีหมดที่หัวนี้ปฏิภาคนิมิตพบกับนิมิตนิมิต้ไปสื่อสารอะไรกั่ไหมายเขาว่าอย่างไีแต่แต่ในความรู้สกรูปนั่ะ รูปออกมาอาจจะเป็นรูปของกระบวจการในกาคิดอะไรออกมาสในใ น, ในขณะนั้นมันก็ออกมาเป็นรูปถ้าเห็นแล้วตรงนี้เราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นเหมือนเราเห็นต้นไม้แต่เราไม่มีความรู้รู้แต่ว่าเป็นต้นไม้ต้นอะไรก็ไมไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไป ภาษาอย่างนี้เลยเราชื่อรกว่าไม่รู้จักใจรักคือการกระบวนการเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปของจิตของเราว่ามันเกิดยังไงมันดำรงอยู่ยังไงแล้วมันดับไปอย่างไรตราดที่ยังเป็นใจรักอันนี้ไม่มีทางที่จิตเราจะไปไกลไปสูงไปเหนือกว่า พผลง่ายๆคือไม่มีทางเลยที่จะสามารถจะรักทอนปล่อยวางค่าเสียหายขั้นนี้ได้เพราะเขาว่าใจรักคือเรื่องสําคัญต่อจากนั้นไปแต่รักคืออะไรจะดูการเกิดกันได้ภาษาเราไึ่งเกิดไปอยู่เริยมตัวรับดท้ายทุกอย่างเป็นอย่างแต่ว่ากระบวนการมันยาวเพราะฉะนั้นเรียกว่าชาตาิการไม่พานะ เรม่งไปที่ในพระในโลกเจ็ดดวงชาติเกิดชาติพัฒ <reply> น์เกิดกระบวนไปเรียนมาความเกิดของเราพวกเราไม่ใช่เกิดเป็นคนอย่างเดียวนะแม้แต่ความคิดเกิดเช่นเดียวกันก็ถือว่าเกิดไม่ได้แปลว่าเกิดเป็นคนอย่างเดียวว่าชาติทุกสัรวสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราภายในจิตเราเราไม่สามารถที่จะเข้าใจกระบวนการของมันคือการเกิดขึ้นเราอยู่แล้วก็ต่ินไปเช่นความโกรธเราม่รู้ว่าเหตุั้งโกรคืออะไร โกมันอยู่ในจิตใจเราเป็นยังไงแล้วทํามันดับไปแล้วเป็นยังไงนี่คือวงกพรานะฉะนั้นิพพานะนิวรณิพานมันไม่ใชบ้านไม่เมืองเรืเข้าใจชาตินี้ชีวิตนี้แต่มันตายตอนไม่เกี่ยวกันแต่เราเข้าใจว่านูน่นตายไปแล้วจึงอยงน่นิพพานตายเรื่องปัญญวันเพราะฉะนั้นอีกหลายหลายคนมันไม่กลัวไม่กลัวบ้ามาถึงที่เป็นอย่างไ้ ถ้าเราเคยแกล้งกันโอ๊มาบุลมันเกิดทุกขณะมันไม่ได้รอสวรรค์นิพพานอ า, าจารย์โน้นอาจารยนู่นนี ร, รับผลรับผลทุกวันก็ผลทุกขณะที่เราคิดพูดทําเราคิดอะไรคิดบวกคิดลบพูดบวกพูดลบทำบวกทำลบนั่นแหละมันจะมีผลตรงนั้นแต่ว่าเราสังเกตเห็นไหมว่าเราคิดบวกองเป็นอย่างนี้คิดลบเป็นอย่างนี้พูดบวกแล้วเป็นอย่างนี้พูดลบเป็นอย่างนี้ เราตามใทสติต้นต้นในสติคือเราลึกนึกถึนอะไรมันไม่ทเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ตกระบวนการน้เรียกว่าอนุสติคือการตาม้วยเพื่อนถึงเริ่มต้นจากให้เร่งถึงสิ่งที่ดีเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พพุทธาภิษฐ์ธรรมะนึ่งเป็นสังฆาภิษฐ์เจ้าขาภิเทวรางภิเป็นต้น ก็แปลว่าทําให้จิตของเราให้เราออกของดีๆให้มันเหมือนสอนเด็กจิตมันก็เหมือนกับเด็กถ้าเราอบรมเขาดีเด็กมันก็จะเป็นการเด็กดีแต่ถ้าไม่อบรมเลยคือไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เลยลอกตัวไว้ตามธรรมชาติมันจะเกิดอะไรขึ้นมี่ต้องฝึกต้องหัดกันเลยมันก็ใช้สมองส่วนหลังอย่างเดียวคือสัตจดจานครับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เดรัจฉาน คือเาต้องใช้สติเปัญอาส่วนนาไม่ต้องจะเหตุผลได้เลยอยากกินอะไรก็กัดกินเอาเลยเพือนคนหนึ่งยัมีชีวิตอยู่ก็กัดล้มกาดกันนัร้องคนหนึ่งก็ร้อ ง, องดิ้นก็ได้ว่าได้ก็กัดต่อไปมันไม่ได้คิดอะไรมากมันมันจะเป็นบุญเป็นบาย่าง น, น, น, นไหมทีนี้ท่านบอกผมเด็กโอถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือภูมิคือระดับของสถานที่ คนที่ไม่ฝึกไม่เห็นไม่ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นกันอยู่ในโลกนี้ความแตกต่างของคนเราฆ่ากันตายทุกวันเพราะอะไรก็ยึดก็ติดผู้หญิงติดผู้ชายผีตินยึดกันอุปทานว่ายึดว่าเป็นเจ้าของว่าตัวเองเป็นเจ้าของปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ถ้าเอาไม่ได้ถึงตายตายแล้วเป็นไงความเป็นยังไง เพราะนั icana, na, a, sabe, do MVP, do ้นคือเราไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยมันอันตรายแตาเราไม่ฝึกไม่หัดมาปฏิบัติอะไรเลยมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเด็กเด็กเราจึงเรียกคนประเภทนี้ว่าคนดิบคนเด็กกคือเนื้อดเด็กเพราะฉะนั้นของเด็กเวลาที่เราจะกินมนุษย์มันจะเกี่ยวกับสัตว์เราจะเอาไปปิ้งไปแย่างไปต้มให้มันโซ่ใจเรานั่เหมือนกันถ้าใจมันดิบ ก็เหมือนกันเพราะนั่นจะเอาไปต้มไปเกลี่ไปทานมันสุกมันถจะจะเอาใช้ได้แกงของเราเหมือนกันใจเราดิบใจเราไม่สุขก็พยายามทําใจให้เราให้มันสุขให้มันเป็นโดยดูเยี่ยงอย่างพระเจ้าเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายครับว่าดูพระเจ้าสอนพระอริยโอนั้นโอนู้นนั่นเป็นตัวอย่าง ที่เราพู ด, พดกั น, ท, กนทุกวันทุกวันทุกเมืองมันออกใช่ไม่ได้เช่นเราตั้งต่อได้จากโคตรยัญญะนันบอกว่าจริงได้จริงหนึ่งก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นม ไ, มไดวผลในรนะดับธรรมดาคือเห็นความเกิคออดความดับนั่นแหละท่านเนี่ยก็เข้าใจคำสิ่งพออะไรเพราะว่าก่อนที่เข้าใจสิ่งเหล่าเนี้ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานเลยอ ด, ดีตของท่าน หลายพบหลายชาติหลายกลับอะไรกันปฏิบัติม า, าไม่รู้เท่าไหร่เลวมีความเกี่ยวนอกมีความถึกพันกันอันนี้ถ้าเป็นภาษาบางเรื่นคือสตอรี่มันมีสตอรี่มานล้วไม่ใช่พูดผู้าพูดแค่นี้ก็เข้าใจปฏิปีนันไม่ได้และออกอื่นๆก็เช่นเดียวกันปฏิปทาบาลามีมันไม่เหมือนกันเพราะเราจรึงได้เสื่อว่าบาลามี ดุจปารมีปารมีเรียกว่าทำเต็มของท่านใครจะเต็มแล้วแต่เรายังพ้องอยู่บางอี่ของเราอย่างอีกเยอะก็จะเติมเข้าไปเต็มแต่ถ้าถ้าเต็มแล้วมันง่ายใส่ไปนิดเดียวพวเข้าใจผัดทีแต่เป็นว่าจะไปใช้บริการไม่ได้พระเจ้าเองเวลาจะสัอนในอินสัตโดยพื้นฐานที่นีคือ ท่านจะพัลลานา 4-5 ข้อจะบอกรูปมี่กระถาตาลำดับยันเึ็นทานไดิงเป็นสวรรค์เป็ทนเป็นตาแล้วการบริโจากการไี่คือพื้นฐานท่จะบอกวาทานเนี่ยมันจะเป็นนะถ้าคนเรานยได้มาแล้วไม่สละออกเลยคือไม่มีฐานนั่นแหละสุดท้ายหามาทั้งหมดก็เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บทุกอย่าง ปัตุกเอาขอปัจจัยสีที differs, ่ได like <c Isab elle> ้มาทั้งหมดก็เก็บเก็บเก็เก็บออกเลยต้อมีกันให้กบ่งันกันเพราะว่าฐานคือการเก็บความตรนี่ถ้าดประการเราความตระหนีที่อยู่ในใจงเราต้อการเราเสียสละต้องการให้จิยอะขึ้นเยอ้มันจะได้รู้ถ้าเก็บเก็เกกสุดท้ายปลายทางคือสิ่งที่เก็บมาเราก็ไม่ทานอะไร ตอนเก็บเป็น so, ร้อยเป็นพันมื็นแสนล้านทั้งชีวิตก็ไม่ได้อะไรคนนึงบอกให้เสียสละคือเข้าแล้วต้องออกบ้างอันนี้คือหลักการพูดง่ายๆนะเดินทางด้วยสินถ้าฉันั้นเสร็แล้วก็จัดระเบียบตัวเองนะถ้าไม่อย่างตัวเองเดือดร้อนก็อยู่กับโลกไปก็จัดระเบียบตัวเองก็จัดก็ได้จัดยังไงจัดหูตายจบอกหรือตายปากตัวเอง ให้มันปกติอย่าให้มันผิดปกติให้มันเย็นอย่าให้มันรอ้อนโดยความหมายอันนี้คือค ว, ว่าสิ่งทีนักพระธรรมศึกษาเขาเรกเรื่องทั้ของการกรมมคุณนการออกจากกา ม, กามนี่ามที่เราใช้คว่าบวบวจริงๆแนละ้วเขาเ้าไปตรงว่ากา ร, ร, กา ร, กรดูีออกจากกามเราภาษาเราไม่ใช้คานั้นบวด คือเนีน่ยโบนนเพราะว่าไม่บรินโป ร, กรแกรมก็คือแบผมระคโดยความหมายนั้นคําทุกคํานี่เราจะเราใช้แต่วันมันมีความหมายผู้เชื่อไใช้คําเหล่านี้เป็นพื้นฐานคือโปูกพื้นฐานมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพอที่จะกล้าก็จะเข้าใจได้จึงสอนในคาที่มันสูงขึ้นละเอียดขึ้นแต่นะาละลักษณะบารมีของคนนั้นนัที่ปฏิบัติมาซึ่งพร้่องพู ว่าทำยังไงถึงจะสอนคนนี้ได้โดยวิธีไห น, นตังนี้เป็นต้นเพราฉะนั้นโดยภาพรวมที่เราทําอยู่ตัว น, นก็คือต้องการให้เนะข้าใจอย่างน้อยที่จะก็มีสมาธิในเบงต้งตงนแม้แต่การทําอาหา ก, กินาการทํางานไม่ใช่เลยจะเป็นต้องใสมาธิไม่ได้อ่านหนังสือก็คือสมาธิตัวคาวก็ยังดีก็อาจะเป็นคณิกา แค่ค่านิการสมาธิพอสมาธิเราสดชื่นนะเช่นเราง่วงมันมันหลับไปนิดเดียวนะสับรปออกไปนิดเดียวพอรู้ตัวขึ้นมาคือมีป็สตินะครับรู้ตัวขึ้นมาเออความรู้สึกความสดชื่นดีขึ้นเห็นไหมครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติท่างทำได้ท่านเข้าสมาธิก็เดียวท่านสดชื่นสมาธิ20นาทีท่านก็อยู่ได้ว่าทําไมบอกคนเดียวชิก ยังปลูกลูกพ่อสามสิบปีสี่สิปีแล้วทําไมร่างกายท่านอยู่ได้ท่านก็มาได้กินเยอะเหมือนเราไม่ร้อนเยอะเหมือนเราไมท่านอยู่ได้ทำไมันได้อาไปสองออกสมาธินี่เปเรื่องสองขั้นงั้นถ้าเราไม่ไปฝึกไม่ฝืนทําในสิ่งเหล่านี้เลยทางปัจจบันก็จะไม่ได้อะไรไม่คำว่าไม่ได้นี่มันปัญญาอาจจะไม่ได้ปัญญากลับไป ออกจะได้แต่สัญญาสละสุดท้ายก็ถูกสัญญาณ่ะเป็นเชือกมัดตัวเองแก่ไม่ได้คลายไม่ได้สัญญาเยอะถึมือเชือกหลเชือกหลเรื่ก็มัดรู้สิ่งานสิ่งนี้สิ่งนั้นผูกรัเข้าไปมันก็มัดตัวเองมัดตัวเองตอนปิีชาทำไม่บอกว่าเราคนตายเราเชือกมัดมัดมือมัดเท้ามัดขาเป็ว่า เวลาเป็นๆอยู่ย้ายออกเชือกเลยมัดตัวเองนะมันพิจศาสนาธรรมอย่างนั้นว่าถ้าเชือกมัดก็เรียกมัดตาสัมเป็นศาสนาธรรมเพะนั้นเราจะในกระที่ยังมีชื่ออยู่ดูตาอาปากอะไอยู่นี้ก็อยากให้โดนเชือกคือสัญญาณผูกมัดรัดเรองตัวเองจนไม่สามารถจะสลับออกอะไแค่เอาไปได้ด้วยปัญญาเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือมีแต่มันน้อย มีสติน้อยมีปัญญาน้อยทุกคนมีมาแล้มีเท่านั้นแต่ว่าบารมีเราน้อยบารมียังไม่เยอะทุกคนมีสตังค์เท่านั้นไม่มีใครไม่มีสตังค์เลยแต่สตางค์ที่เรามีเนี่ยน้อยมันทําอะไรไม่ได้มันทำอย่างที่เราอยากจะทําไม่ได้ตั้งแต่เราอยากจะซื้อซื้อไม่ได้เพราะว่าสตังค์เราไม่พอสติเหมือนกันทุกคนมีไม่ใช่ใครมีสติเลยแต่มันน้อย เมื่อมันน้อยเราก็ทําสิที่มันมากกว่าต่ อ, อาตามเกินสติเกิ น, กนปัญญาของเราเองไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งคือกันพิจารณาท่าศีกันใหยกขึ้นมาแล้วพิจารณาด้วยสติปัญญามันทําไม่ได้<อ>เพราะว่ากําลังของสติปัญญาเราน้อยที่เราแรงเราน้อยจะไปยกท่าศีกันใหยกขึ้นมาปัญญาให้เกิดปัญญามันไม่ได้เพราะนั้นก็สลับกันไปทั้งสมาธิ ปัญญาสมาธิค mm ือ hmm. การเพิ่มพลังในขณะที่เราพิจารณาจนมันไม่มีกําลังแล้วออกอย่างเดียวพิจารณาจนล้วก็กำหนดลงมาทําทสมาธิใหม่เพื่อจิตที่มันมีกําลังก่อนพลังของสมาธิไปถึงจะไปต่อได้สลับกันไปอย่างนีการพิจารณาหรือไม่ป่วยหรือไม่สมาธิกับสมาธิอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาเลยมันก็ไม่ได้อะไรโดยเฉพาะยิ่งสมาธิที่ ม, มันหลับมันลึกมันก็ได้แค่พัก พักจิตจะดีขึ้นร่างกายดีขึ้นแต่มันไม่เกิดปัญญาเนี่ยอันนี้ความแตกต่างในนั้นที่เราเ ป, ปิดเราระครับเราปฏิบัติเทวันนี้ก็เพื่อ<ม>ให้เกิดเรามีสมาธิสติปัญญาพอนนั้นในภาษาการนี้ครับพวกเราทุกคนว่ามองทุกอย่างให้มันเป็นปัญญาเพื่อให้มันจบด้วยปัญญาว่าเรื่องอย่างนี้เรจะมองให้มันเป็นปัญญาได้อย่างไร จะมองถึงสุดท้ายปราทางแม้เราจเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้ น, น, นตั้งอยมกลับไปอย่างไรคือมองให้เป็นอนจารย์ุกฐานนะตาใจรักงกันอีใจแรกคือี่ไรต้องศึกษาาัราใจอันมีสามใจก็เป็นพระอติษาพระสามใจใจแรกก็คือาาครัตนใจใจที่สองคือใจสิกขาใจที่สา็คือใจรนะ ใ, ใครเข้าใจสารไตรอันนี้ก็จะประสบความสํา เ, เร็จรเริ่มต้นจากการเข้าถึงรัตนารมณใจที่เราพัฒนาทุกวันกุจะคนทำมาคนแม้แต่การกราบกันไว้เหมือนกันอย่าสักเลยว่ากราบเริ่มต้นเลยตั้งต้นใหม่เลยกราบด้วยความมีสติไม่ใช่กราบไปมหยุดเออเมื่อกีมันกราบไป สองครั้งหรือสามครั้งให้มาสติแทนที้กับการันนึงอย่างหอยก็การพุทโธขั้นหนึ่งเลยเขาอกจริงการขัน้นสองธรรมโมกรารขั้นสาสังโฆแค่นี้จะไม่มีวันหลงนี่วิธีกํจาจัดโมหะคือความหลงคือต้องปราบแล้วก็มีสติคือมุ่งสิน่นนอยจริงแค่กลับไปพูดไป ขาดสัติบัต ja um ิขาดโมยยังไม่ถ so ึง uh พื้นเลยอามือยันยันไว้แล้วก็จบและขาดหนึ่งมือยันขาบสองมือยันขาบสามมือยันไม่รู้คืออะไรยูตายยังไม่รู้ว่าขาดสัตกันหรือยังผวมรู้ที่ทำนั้นเพื่ออะไรนี่คือสติอย่าไปคิดอื่นไปมองข้ามการฝึกสติตั้งแต่กระหมาเอ๋ถ้าว่าจะกการขาไม่ได้สัตยบัติขามกาดถ้าจะมองถึงพ่อแม่ครูญาติพี่น้องทั้งส่งความรู้สึงเพื่อนนี่เป็นพุทธธรรสติานครัก ทำมาสือสําคัญที่ดีอย่างแอกคือกับพูท้ทูตตโมจารุกแค่นะ้มันจะไม่หลงคือโมหะมันจะไม่ข้องนน mm hmm. านการฝึกนี่การเปิดนะถ้าเราไม่เปิดก็ไม่มีทางเป็ไม่เข้าใจอ น, นี้คืออย่างน้อยที่สุดอันนี้คือการเข้าถึงพันธะนาตนะกูล mm hmm. ใจใจที่สองคือใจสีกขางทบทวนตัวเองว่าวันนี้ใจสี่ขาคือศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติข้อไหน ได้ไม่ได้มากน้อยแต่ไหนอะไรใจดวงใจที่สาคือใจรักสําคัญมากเลยการใจที่เราจะเป็นกระบวนการการเกิดขึ้นทั้งหมดไปของทุกข์ก็ตามสุขก็ตามของอะไรก็ตามมันลงไปนี้คือไม่มองตั้งแต่ต้นจนจบภาษาทักรวาลเป็ต้นน้ำตามน้ำไปน้าอันเดียวกันคือมองอย่าเข้าใจแต่ธุรกิจคือเหมือนกัน สุขเกเาจะเป็นต้นนะกัน้ะเด็กสะพายนามเขาบอกครบทั้งสอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าบอกอะไละแล้วก็เห็นเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนเห็นการเกิดการตายรัวเออทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายบถ้าเป็นนิมิตดีมากเกิดโอ้ยเดือดกันดับไปกระเดากระเดเผาไปเลยถ้าเป็นนิมิตเผาเลยถ้าเป็นโรคเป็นภาพถ้าเป็นภาพที่เป็นนิมิตจะเป็นรูปเป็นได้ ท่านเสนอท่านสอนท่านให้ว่าถ้าเป็นไปได้คือกำหนดถ้ากำหนดถ้ามันเกิดได้กำหนดให้มันดับได้นั่นเป็นใจละก็ทําหมายกระม่าถ้าเราเป็นผิวจะเป็นนิมิตแล้วสามารถที่กาหนดอย่างนี้มันเกิดขึ้นขึ้นมาทันทีทกําหนดอย่างนี้มันดับขึ้นมาทันทีนั่นแหละเป็นใจละแจะเข้าใจแล้ว เ, เราทําให้ดอ้อย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งเขใจร้อนส่วนใหญ่ก็ทําไม่ค่อยได้แต่ที่สำคัญ ทำได้ครั้งเดียวก็ไปอะไรเอาบอลเมื่อก่อนเราทําได้ตอนนี้ทําไม่ได้เห็นไหมกลายเป็นขอบีพวกทษก็การโกรธสมาธิจะมาจากไหนมันไม่เกิดก็ถ้าไปทําให้มันชํานานทำมันคล่องอะไรก็ได้แต่ทั้งต้องมันชำนานหมายความกําหนดก็กําหนดปุ๊บเส้นกำหนดจิตหรือกำหนดลมเหมือนกันกำหนดลมหายใจมาปล่อยจมูกหน้าผากจะหัวใจท้องฝ่ายเท้าอะไรก็ได้ แล care, ้วให้ม <vielleicht> ันเกิดแล้วมันต็รู้ถึงก้อนเท่าเดีเลยกลับมาให้มันออกทีเกจ่ยวทันทีให้เร็วที่สุดอย่าไปเพ่นมันนะมันอินแเหนื่อยเพ่ง่แต่ทำให้เป็นธรรมชาติโดลเข้าลงออกตอนนี้เวลาอติษการกองก็แค่นี้แหละาจนนไหมไม่ดออกเป็นออตาตั้งแค่กาหนดลงมาเจเขาแล้วมันเเขาปอบพวกไปเลยางแล้วอยู่ที่พลังในอยู่ที่พลังจิต ถ้าจิตมีพลังเปล่าทั้งวันก็เหมือนกันเปล่าก็เถอะันไม่มีพลังพลังนั้นจะเกิดจากปรานาใจเป็นลัตกต่อไปใจจิตค่ะใจรักกันเนี่แหะที่เรากำลัอาา่านเาไปันนี้เพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเร า, รขมมร า, ราเราข้าใจกระบวนการสของเราการปฏิบัติของเราจะง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยความที่การสลับพลันพลันการจากสัญญาที่เรามีอยู่ คือความจําได้บางทีจะได้เมันก็หรจะกลายเป็นสัญญาตต่เนี garden, ้ยมันจะเป็นยังไงก็อุปทานสุดท้ายก็สลัดอุปทานไม่ได้เป็นจิตเป็นตัแม้แต่ตัวเองก็ต้องทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายแม้ตัวเองก็กลายเป็นว่าเป็นของเราอุปทานมันเกิดขึ้นมาสุดท้ายไม่จิตออกจากแรงมันไม่ใช่จิตมันคือจิตร่างกายคือร่างกายพอถึงตอนนั้นเท่าไรก็ได้แล้วมันหโือแต่กันสีไปทำอะไรก็ได้ S 1> <S 1> มันไม่สามารถเดินละต่อปล่ย ว, วางทำห้านี้ได้มันไปต่อไปได้เพราะฉะนั้นในใดรที่เรายังมีกันห้านีา้อยู่สามารถที่จะน่าห้าใจใหญงทุ่นได้ว่ารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้รูปตอนต้นตรง น, นี้มันเกิดมันดับมันแต่งอยู่มันดับอย่าง น, นี้นา ม, มก็เช่า น, น, านเดียวกัวนให้คนใดทั้งรูปและนามแล้วก็แยกออกว่าอันนี้รูปอันนี้คือนามอันนี้จะเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปล่อยให้ไปทำาช้ของเขาเป็นกาลองก็เหมือนกับ เราก็ใญ่ธรรมชาติเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์ต้นมันเกิดขึ้นอันโตขึ้นมามันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติโองอย่างทุกสรรพสิทธิ์เป็นอย่างนี้กฎใจรักก็อันเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไม่มองมันไม่เห็นว่ามันเป็นกฎใจรักมองไม่เนว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งรุ่มันดับไปนในจิตของเรา เ, เราก็ไปมองปัจจัยภายนอก เรจึงไม่เข้าใจการเกิดการดับของสรรพสิทธิ์ทั้งหลายมันก็เลยปุ่นวะปุ่นวายอยู่ป้วนการเป็นอย่ไปนั้นอย่าประมาทกันว่าแค่ลมหายใจทําอะไรได้มันไม่ใช่รู้วิญญาณเป็นไรแค่ลมหายใจเทพอคเข้าใจหมดเรื่องถ้าเข้าใจสิ่งนี้เราจะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงนะพวกเรามันนั้นจะไปคาดจะไปหวังจะไปอะไรไปเยอะแยะมากมายจน จะมตกกังวลทำแล้วเกิดขึ้นแล้วกอนี้อยากได้เองนั่งทำเพความอยากเมื่อวานเห็นเป็นนิดตำรวดได้ตอนนี้ไม่ได้ทาไมถึงมาถึงทุกข์ทุกข์เพราะอยากแั้แหละเป็นมรรคตทอมันอยากมร้วตาเป็นตัญหาแต่ทั้นนั้นไม่เป็นปัญหาเข้าใจโอ้มันเป็นตัญหาทุกอย่างที่เรานั่งมาจนถึงต่นนีน่งเพราะความอยากอ่เพราะปัหาเ็เป็นที่มาของความทุกข์ คือสมุทัยคือต้นเหตุของทุกข์ก็เราไม่พูดถึงผลของมันคือทุกข์ทุกข์นั้นเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่คือเราใช้เหตุใช้ผลเอามาพิจารณากันいい Solomon. สุดท้ายที่เราจะต้องอยู่คือความจริงคือสัจจะเราต้องเข้าใจความจริงให้ได้คือกระบวนการจังต้องการน้ำตาทั้งหมดเราจึงเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการดับทุกข์ เข้าไปเข้าไปในกระบวนการไม่มีทางที่จะดับทุกดับไฟที่อยู่ตัวไม่มีทางเลยเมื่อไม่ดับไม่มีความอนิจจังมันก็ไม่เย็นสภาพของกิแกงเรามันก็ไม่เย็นบางคนเขากายก็ร้อนใจก็ร้อนใจก็ร้อนเพราะมันมันอยู่ในกระวนการอนิจจังคือดับคือเช็นงั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วมันดับมันเย็นมันสบายนั่นคืออนิจจังแล้ว กมันนีมาแล้วมันสบายเนี้ยมันดับแล้วมันเย็นแล้วทำให้มันเย็นเยอะๆนั้นเป็นเือบ่อยให้มันเย็นถาวรนั่นคือเป้าหมายของเรานี่คือสิ่งที่เจ้าของบอกไว้เลังเป้าหมายในการปฏิบัตินั่นก็คือใจตัวที่สองคือใจสิทธาเนี่ยแลดงภาษาอากาศนี้ก็ฝังพวกเราทุกคนอย่าเพ้ออย่าต่อยอย่าไปคิดวอ้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้อย่าไปคิดเหตุปัจจัยตรนี้เหมือนกันสิ่งแวดล่อไม่เหมือนกัน สุดท้ายมีเพรอ้างแต่มันเยอก่อนรอก่อนวันนี้ก่อนพูดนี้ก่อนความดีไม่เป็นไรความดีทํำได้หลายวิธีคิดก็เป็นความดีพูดก็เป็นความดีทำก็เป็นความดีถ้าตรงนี้ขาดเราไม่ทําอะไรเลยก็จะเป็นอย่ดีสุดท้ายก็อยู่ด้วกับเพราะอ้างีก็คือเราไม่ได้ใช้สมองที่มันพัฒนาแล้วเอามาคิดเอาไม่ใช้สมองที่เป็นรูสัตว์ด้วยทางประเชี่ยาญใช้สมองที่เป็นเหตุผลเต่ไม่ได้ ไม่ต้างนจะเหตุผลไม่ต้อนั่ใช้ความจริงพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติอยู่นี่ทึ่ว่าเป็นเรื่องสําคัญมากมากที่สำคัญมากๆถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดอย่างนี้เราก็ใช้แค่สมองสองอย่างอันโดยเฉพาะยิ่งคือส่วนท้ายตอนอุดหนักเลยล่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกมักก็จะสมองสองตัวก็จะติดตัวเราไปคือของสัตว์เลยอันตรายนะสายจิตเราก็จะไปอยู่ของพวกเขาอันตราย คือออกไปใช้แค่สัญชตาตญาอย่างเดียวอันเดิมมันจะต่างอันนี้คือฝากพวเราทุกคนสำหรับบนพระความเห็นใจเข้ขาภาษาแล้วเจี๊ยบตัวเตรี๊ยบกายเจี๊ยาจิตเตรียมใจสำหรับภาษาการนี้อันถือว่าภาษาการนั้นต้องมีดีดีขึ้นกว่าเก่าทุกเรื่องให้มันดีขึ้นกว่าเหตุผลคือพฤติกรรมที่เราแสงงดงออกเในสญญามารถคม มันไม่ดีที่สุดแต่ว่าสามารถที่ควบคุมได้เข้าใจได้แล้วขึ้นมาได้เบรกมันได้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในบรรยากาศนี้เพื่อมองคดที่ไหนก็ได้ผลพัฒนาตัวเองเพื่อให้ดีขึ้นเจริญขึ้นทีว่ว่าภาวนาสิ่งนี้ที่เรียกว่าภาวนาแต่ว่าทําแล้วมันมันดีขึ้นมันเจริญขึ้นในทุกอริบทใช้คำว่าภาวนาได้หมด มันจะแปลว่าหับหูลับตาแล้วภาวนาเดินก็เป็นภาวนานั่งก็เป็นภาวนาเป็นภาวนาได้หมดเพราะภาวนาเปลว่ามันดีขึ้น่ะมันเจริญขึ้นมันพัฒนาขึ้นคืเรียกว่าภาวนาคอเราทัหายได้ภาวนาอย่างนี้คือความเจริญขึ้นแล้วเขาเจริญขึ้นแล้วโลกขับก็เจริญขึ้นอยู่อยู่กับโลกก็เจริญแบบนี้เกี่ยวทางทางก็เจริญแบบแบบทางทา ขอเราทั้หายด้มีความสุขความเจริญเดืรนโลกก็เจริญแบบโลกุจุดเก็เจริญเดือดธรขอเราทหายด้มีความสุขความเจริญทั้งทังโลกและทางธรรมทุกคนทุกส่นเจิ